Pagavato arahato sama sambut hata na'motatsa. Pagavato arahato sama sambut hata na'motatsa. Pagavato arahato sama sambut hata. Idhani atamidhi Aptatitamika-tha-katisyate Chayimititavethamma-sara-niyya Kiyakarana-karukana-sangkahaya-vivadaya Samagiyya-ekithavaya-sangvatthiti Imata-dhamma-pariyayasa Atho-sathayasamantehi Sakacang-thammo-sotabmo-satabmo เตนวันนี้วันนี้เป็นวันรัตถมบดีทิที่ 8 ค่ําแห่งกาลัปกเป็นวันธรรมัสสวนะ แลก็ได้พร้อมทั้งกายวาจาและจิตใจได้บําเพ็ญซึ่งบุรพาจริตอันควรแก่การ ได้บุญกุศลพูนบุญกุศลและสติปัญญาสัมมาปฏิบัติย่อม ทำให้เราได้ซึ่งสติปัญญาความรู้ และอันได้ชื่อว่าเชตวัน โดยมีใจความว่าชะอิเมกิสเวธัมมาสาราณิยาย่อม เป็นไปเพื่อให้ระลึกถึงซึ่งกันและกัน แลเป็นไปเพื่อความ 6 ประการเป็นไฉนธรรม 6 ประการนั้นได้แก่หนึ่งพึงตั้งจิตคือพึงตั้ง ไว้ในกายกรรมในประการที่สองมีประการหนึ่งประการที่ 2 พึงตั้งจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาในวจีกรรม อันตนแม้ในที่สุดมาได้โดยไม่ห่วงชอบธรรม พึงมีศีลเสมอภาคกันและเมื่อทําเจริญให้มากมาก อันมีย่อมเป็นไปหมู่คณะและบุคคลอื่นย่อมเป็นไป เป็นไปเพื่อความไม่วิวาทเฉาะเลาะซึ่งกันและกันเป็นไปและเพื่อความเป็นน้ำหนึ่ง ขอรอดเวราที่ดำรงชีวิตอยู่ได้มาจน สมบุกร่วมกันกล่าวคือเย็นย่อมเป็นที่ตั้งกันกล่าวของหมู่มวลมนุษย์ก็ และเรานี้อีกก็เป็นผู้ที่ <st face> นั่นก็หมายถึงบุคคลมีคุณสมบัติหรือเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ และบุคคลผู้นั้นเหล่านั้นย่อมเป็น แล้วอุปถัมภ์ค้ำจูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ในขณะที่เราอยู่ร่วมกันก็ ทางส่วนภายนอกคือบุคคลอื่นและให้สูญสลาย ฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้มารวมตัวกัน ไม่ได้แยกออกจากกันได้แยกเราก็จะเห็นว่าจากกันตลอดทั้งวาจาและ คนเป็นร้อยแต่มีเท้าไม่ถึงร้อย 100 แต่มีเท้าไม่ถึง 100 มีเพียงแค่ ทั้งที่สงฆ์เถรวาททั้งที่สงฆ์เถรเป็นนัก แต่ประการใดจะต่างกันอย่างไรออกไปก็ต่างแต่ปรากฏว่าจะรวมลง ต่างก็มีเจตนาอยู่ในจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนั่น ได้ประกอบประกอบบำเพ็ญคุณความดีเราก็มีเหมือนกันตัวของหลักตามแบบฉบับอย่างนี่ถึง จะต่างคนต่างทําดีใส่ตนของ 2 เท้าถ้าจะเปรียบเดียวตามหัวหน้านี่รอย ฉันใดก็ฉันนั้นใดก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ คาถาปรนราถึงธรรมกล่าวถึงธรรมอันยังใจให้ เราเรากราบต้องการอะไรเรากราบเพื่ออะไรเรากราบต้องการอะไรเรากราบนี่ให้ถามตัวเราเรากราบ นอกจากเราต้องการบุญจากการกราบแล้วเราต้องการบุญจากการกราบ อย่างเดียวก็หามิได้ในขณะที่ ได้ภิสูจได้วิเคราะห์ว่าการกระทําของแต่ละ หรือจะเป็นการพูดสนทนาปราศัยล้วนแล้วแต่เป็น พระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อต้องการบุญเป็นที่ตั้งกราบอย่างไรล่ะมันจึงๆน้อยๆนิดๆ เราควรคิดเราควรคิดเราควรพิจารณาทำสิ่งใดลงไปมันจะมากกว่าตามจะน้อยกว่าตามจะเป็นเรื่องภายนอกก็ตามภาย คำว่าเบญจางคพระประดิษฐ์นั้นคืออย่างไรไม่ต้อง วาจาเราก็ควรที่จะต้องระมัดระวังและระวังตลอดเวลาที่เราเปล่ง ละโมก็ดีจนจบโสก็ดีพุทโธสุทุธโธ ตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธต้องการอะไรเรากล่าวทำไมเราเป่งทำไมต้องการ เรานอบน้อมพระอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์พร้อมด้วยกายวาจา ของแม้แต่และพวงศักดิ์ทั้งหลายแม้ เรเรานั้นต้องทําให้มันเป็นไปๆบุญนั้นจึง มีความถูกต้องในการสวดพร้อมอยู่กับการเปล่งออกเสียงของ เราก็ต้องว่าไปตามนั้นก็ต้องว่าไปตามนั้นสระที่ออกเสียงสั้นนั้นก็ได้แก่อาอี การสวดมนต์นี่ไม่ 7 คัมภีร์ก็ดีพระธรรมต่างๆก็ดีเราก็ เป็นผู้เข้มขัดในเรื่องก็เพราะว่าฐานก่อนที่ครัตสะแล้ว เพราะมันจริงสวดกันอย่างแบบสะเปะสะปะบ้างช้าก็ช้าเสีย นี่อันนี้พวกเราทั้งหลายทั้งพระทั้งเนนทั้งภูบาโสกุบาศิกาที่ บางส่วนที่ทํางานร่วมกับรัฐบาลในรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องทางพระ เพราะฉะนั้นการทําวัดก็จะร่วมพร้อมกันทั้งพระอ่าทั้งอ่า อย่างวันอุโบสถอย่างเงี้ยมีทุกวันพระแหละอืมพวกหนุ่มๆหน่อยก็เล่นท่องเอาเลยนะโมท่องโยโสท่องอะไรทํานองนี้คนแก่ก็ย่นเย้อไปหน่อยเพราะฉะนั้นเรา ท่องนั้นมันก็ว่าไปพืดเลยแหละถึงมันจะมี ใครก็พันวัดก็ตามสถานที่ก็ตามทางวัดเก่งกี่ร้อยวัดพันวัดก็ 3 วาอืมแล้วมันจะสวด ไม่ได้จบภวังค์หมดลมหายใจกันพอดีอัน ลมเป็นที่ลื่นลมหรือสบายใจผู้ที่ได้ยินได้ฟังเป็นที่ลื่นลม ก็สามารถที่จะดับความร้อนให้แก่เขาเหล่านั้นได้ที่จะ